มีความรู้สึกหรือว่ามีมีอารมณ์ความคิดอะไรตอนนี้หรือว่าเมื่อัะครูน่นี้จดใจเลยได้อะไรได้อะไรมีอะไรที่สะดุดใจตอนที่ฟังตอนที่ดู อ ย, อยู่อย่างลืมตายเราลืมตายบ่อไหมแต่เราพอลืมตายแล้วมันอยู่แบบไหนภ<ม>าวนาภามนาแล้วก็ในไรแ่รอ ล, ลืมตายหลงแล้วก็สะสมไม่รู้จะพอสักทีนะ เหมือนจะเอาไปใช้ยินม่รู้กี่สิบปีร้อยปีนะเสื้อพาก็จะเอาไปใช้อีกกี่ปีอที่ดินบ้านก็ไม่รู้จะอยู่จนจนแก่เท่ารุ่นครานถ้าเราเตือนตัวเองบ่อยๆเนาะใช่ไหมถ้าเราเ้ารู้สึงว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายไอ้ที่เราความอยากได้เนาะมันก็จะลดลง ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะแต่คืมันก็รอดลงไปที่มันมันไม่จำเป็นใช่ไนะมันมากเกินไปถ็าไม่จัดสลาบ้างก็ได้นะให้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นะก็ดีนะเราจะได้รู้ว่าเราให้ไข่บ้าง <c oughs> แต่ตอนตายเราก็ยินแจกให้ <c oughs> ไง้ม่รู้เป็นยังไง <c oughs> มีอะไรไหม <c oughs> อยู่ยังลืมตาย คนอื่นมีมีคมพูดไหนโดนใจปฏิจใจเราไห ม, มพิชานี้ไม่มีเกณ น, นะไม่มีถูกผิดตัวได้นะตามความรู้สึกตามความคิดเห็นของเรามีไหมด้านนี้ ไม่มีหรือไม่อยากพูดเออจดกทีเลย วันที่จะตายถ้ามันจะช่วยราอย่างได้บ้างความทุกข์ก็จะ น, ออนออนะ้อยลงน้ยเนะอืมเขาอยู่กับตัวเองจิอแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะออกจิตเข้าในอย่างเดียว น, นะพระอาจารย์หรือขำว่าจิตจิตไม่ออกนอกไม่ใช่ว่ามันจะต้องอยู่แต่กับในใจินในตัวตลอด ที่จริงมาเคยโทดนะบางทีมันเหมือนเหมือนเราอยู่อยู่หน้ากระจกนะสิ่งที่เห็นในกระจกมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่สะท้อนรูปร่างที่อยู่ตรงตรงข้างหน้ากระจกเราดูแต่ข้างหน้ามันก็เห็นแต่รูปอยู่ในกระจกนะมันเหมือนเราส่งออกไปข้างนอกแล้วก็เห็นแต่ข้างนอกแต่ถ้าเราดูดูแต่ตัวเองก้มดูแต่ตัวเองก็ไม่เห็น รูข้างนอกเหมือนกันนะก็จะดูแต่เธอเองแต่จริงมีสตินะมัเหมือนยืนอยู่ข้างๆคือเห็นทั้งังตัวที่มันยืนเห็นทั้งรูปที่มันอยู่ในกระจกมันเหมือนอยู่ข้า ง, างๆเห็นกายเห็นใจเห็นนอกเห็นในที่มันสมดุลกันถ้าเราดูแต่แต่เองแบบ น, นี้มันก็อาจจะไม่ได้เห็นข้างนอกเลยก็ะจะเกี่ยวข้อง ก, กับการงานก็อาจจะอาจจะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มันเราขับรถ่ถ้าเราขับรถแล้เราดูแต่แบบหยุดในข้างหน้าอย่างเดียวนะมันก็ไม่ถูกนะต้องดูกว้างๆข้างในแน่นอนไอ้สิ่งที่มันชัดก็คือข้างหน้าแต่เราก็ต้องดึก้งกว้างข้างในเพราะบางทีรถมันออกมาจากซอยหรือหน้าหนี้ใช่ไหมมันก็ต้องเห็นบางทีก็ต้องดูข้างหลังบ้างดูกระจกบ้างคือต้องดูทั้งนอกข้างในสมบูรณ์ไปดูแต่ข้างหน้าเจ้าอย่างเดียวก็อาจจะ ประสบปฏิเนตได้ง่ายแต่ถ้าไม่ดูแต่ข้างหน้าไปดูแต่ข้างๆ ง, ง, ง, ง, งก็อาจจะพลาดได้เหมือนกันเราใช้ชีวิตก็เหมือนกันดูทั้งข้างนอกทั้งข้างในสมดุลกัน <c oughs> มีใครความคิดเห็นยังไร ก็อพุทธทาสไม่บอกบทีตกกระใดาษใหพลอยกระโจนสมัย <Okay. S 1> ก่อนกระไดบ้านไทยเหมือนกระไดแบบพัดผ่านค น, ก, น ก, กระโดดตรงไปให้มันยืนตั้นหลักไม้ได้จะ ต, ตกตรงไปแล้วเดี๋ยกระดาษับตัวเองแล้วหล่นถึงข่าวสุดท้ายดีชีวิตจริงๆยังความรู้สึกอาตมาเองนะมาก็ไม่มียานยังรู้ว่าใจยังคนถึงที่สุดของ ของการเดินทางการปฏิบัติทำแล้วพยายามแต่ที่แน่ๆมาเขาบอกท่านคือ ไ, ไปไปตายแล้วแหละแต่ตายจนสุดท้ายหรือว่ายังไม่สุดท้ายนี่คือความรู้สึกของเราเราก็ไม่รู้ด้วยญาณของเราแต่ก็ในจังหวะสุดท้ายคือสมมติท่านอาจารย์ยังไม่ถึงที่สุดการพูดนำนั้นก็เหมือนคล้ายๆอาจารย์กระโกดกระโจนทิ้งทั้งท่านทั้งรูปทั้งนามออกไป ถ้าอาารถึงแล้วมันก็ไม่เสียหายอะไรมันก็คือเป็นหน้าที่ที่เราพอทําได้แล้วก็ทําแค่นั้นก็แต่ที่จริงก็ไม่ได้เป็นการคล้ายๆแต่พื้นฐานหรืออะไรต่างอาจารย์ดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปช่วยตรงนั้นแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปบางทีเขาไม่เคยฝึกหรือเขาไม่พร้อมอางทีเราก็พูดเช่วยเขาเตรียมตัวปล่อยวางอยางตะมาเคย เลยได้ส่งยายตัวเองนะยื้อประมาณเก้าสิบเ็ดนะตอนจะตายก็ไปสวดมนต์อะไรชวนญาตสวดมนต์ข้างๆเลยแล้วก็ยายก็หายใจกับอาจารย์บางคนนั่นแหละหายใจนัแรกนั่งแรกไั่ไม่ดืงตาไม่อะไรมาหลายชั่วโมงแต่พอสวดมนต์เสร็จอามาก็ไปพูดใกล้ๆ ก, กับยายกรย์บอร่างกายของยายก็เหมือนกับต้นไม้นะมันแกช่ชรามันปลูกมันพังไปแล้วนะ ก็ปล่อยมันไปมากตามธรรมชาตินะพอพูดไปแบบนั้วนะยายลืมตาขึ้นมาดืงตาเหมือนนับรู้นะพอลืมตาพวกครนี้เราหายใจทิ้งลมหายใจเลยปล่อยเหมือนพอเราพูดเตือนเขาแล้วเขาได้คิดแล้วเขาก็ปล่อยจริงๆก็ไปหายใจนิดนึงก็ไปสงบเก็เป็นการช่วยช่วยเตือนบางคนก็เคยมีนะป้าเตือนแต่ของใจบางคนก็เหมือน ช่ยส่งมากก่ส่งไปเพื่อกระโจนถึงที่สุดนะครัเราถ้าอยู่ในสถานาการณ์นะี้เราก็บางทีเราจะเราจะไปคิดเน้นแต่การช่วยร่างกายอย่างที่จะผู้ป่วการตายดีไม่ใช่ว่าจะต้องไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าสดสวยดูดีนะบางทีแต่บางคนอาจจะช่วยบ้างเวทนามากๆ ก, ก็อาจจะทําให้ทรมานกายก็ ส่งผลทรมานใจแต่เราก็ช่วยระดับหนึง่งแต่บางทีเราก็อย่าคิดว่าเราทําอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้อย่างน้อยเราช่วยใจก็ได้ช่วยใจเช่นสร้างบรรยากาศที่ไม่ร้องไห้ปุมฝ้าไม่แบบพาลัยอาบอนไม่งั้นคนที่ใกล้จะตายเขาจะยิ่งห่วงไม่กล้าปล่อยไม่ค่อยวางแล้วต้องคนไหนใจไม่เข้มแข็งที่อยู่ในใจอย่ามาร้องไห้ตอนนี้จริงนะตอนใหญ่จะมา จะตายมบอกใครร้องไห้จะไปอยู่ครั้งนี้พ อ, อไปเไหให้คนที่พร้อมอมาอยู่กับคนได้มันจะเป็นการส่งเขาแล้วก็ถ้าพอพูดนำได้ก็ก็พูดนาให้เขาไปทิท้งธาตุขันเนะแต่ถ้าคนที่เขาพร้อมแล้วก็ คื อ, อีย่างอาจารย์มาแล้วก็ท่านก็ไปดีแล้วแต่เป็นหรืว่าจะถึงที่สุดหรือยังนั้นเราเราก็ไม่รู้นะก็ทําเท่าที่ทำได้แต่ถ้าคนที่เตรียมตัวเองได้ดีนั้นก็บางทีมีมีบางคนนะเขาก็ได้สัมผัสกับครูบาอาจารย์รุ่นหนึ่งท่านก็ก็น่าสักการหลายปีแล้วถ้าเป็นมะเร็งไม่ใช่เป็นที่ตัด แล้วตอนตายมันทรมานมากเจ็บปวดจนท่านคุมเวทนาไม่ได้คุมเวทนาไม่ได้ล้อมนั่นนี่นะหลายอย่างบางคนมองแล้วก็มองว่าขั้นขาดกติเหมือนนั่นนี่ไม่ได้แต่มาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่มาฟังแล้วก็มาคิดว่าคือเรื่องร่างกายมันก็มีหลายอย่างที่มันควบคุมไม่ได้เวทนาที่แรงแรงหรือว่าบางทีของเสียมัน มันขึ้นไปสมองทำให้สับสนเฟิร์เจอร์นั่นนี่มาว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าจิตที่ฝึกตีแล้วมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะทรมานอาจจะร้องมาว่าก็ก็ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะในการคุณสติเรามไม่ได้เน้นการเข้าสมาธิเพื่อเพื่อออกจากอารมณ์แบบออกแบบแยกแบบไม่เกี่ยวข้องกันแบบนั้นแต่จริงมันเนื่องกันแสดงว่าความเจ็บปวดมันไม่ส่งผลถึงใจที่มันทุกข์ แต่กายมันทุกข์กายมันทุกข์มันก็ร้องมันก็นั่นนี่ไปก็ก็ธรรมดาแต่กปินนของใจที่ฝึกดีแล้วมันก็มันไม่ทุกข์ไปด้วยแต่อาการภายนอกมันเหมือนจะตายมันทุกข์นะมันก็ควบคุมไม่ได้ก็มีก็เอาแน่ไม่ได้อืช่ขออนุญาตกลับมาที่เราปฏิบัติถารอากาสอบามถาท่านอาจารย์ว่า ที่เด้นว่าให้เข้าใจเรื่องรูปนามไม่ชัดเจนเนี่ยโตเรางไม่ได้ใจว่าเราเข้าใจเรื่องรูปนามกันหมดทุกคนหรือยังะไงกราบเตียพระจารช่วยอธิบายว่าการปฏิบัติเจริญสติแบบวามือเคลื่อนไหวเนี่ยกับรูปนามเนี่ยเกี่ยวข้องกันอย่างไรคะ่ะที่ที่จริงทุกทุกแบบนะก็ ก็คือปฏิบัติในการรู้กายรู้ใจหรือรู้รูปรู้นาำนั่นแหละนะแต่อย่างรูปอาจจะมีความชัดเจนในเรียบ ท, ที่มันต่างกันบ้างท้องห้องท้องยกลมเข้าลมออกหรือว่าการเคลื่อนไหวรแบบแบบแบบ่างกายแบบหยาบๆก็คือรูปเท่านั้นแน่ะคือพาใส่รูปเป็นเคนรื่องเล่นเรู้ในการมีสติมีสติเห็นรูปต่อไปก็จะมีสติเห็นนาำก็คือ เวทนาหรือว่าจิตหรือว่าธรรมที่เกิดขึ้นมันก็จะเห็นแต่ก่อนความคิดคำว่านี่คือรูปของเราใจของเราหรือทุกอย่างเป็นเราไปหมดต่อไปเราก็จะแยกได้เห็นมันอันนี้คือรูปนี้คือนามกายใจใจก็มีเหมือนกันอันนี้คือใจปกติอันนี้คืออาการที่เกิดขึ้นกับใจไม่ใช่ใจจริงๆนะเหรืออาการที่กายที่เป็นรูป ก็ส่วนหนึ่งเวทนาที่เกิดขึ้นกับลูกก็ส่วนหนึ่งมันมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเจ็บแต่เราจะเห็นความเจ็บเกิดขึ้นที่กายไม่ใช่ใจไม่ใช่เราเป็นผู้โกรธแต่เราเห็นความโกรธเกิดขึ้นที่ใจมันจะค่อยแยกเราจะเห็นข้อมันค่อยแยกไปแต่ไม่ได้คิดแยกนะมันถึงว่ามันจะค่อยๆเข้าใจมันก็อืมมันเป็นอาการอย่างนี้อย่างนี้มันก็ ต่อไปความรู้สึกมั่นหมายในความเป็นเรามัจะลดลงที่จริงความทุ้กมันลดลงเพราะว่าการยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้คือเป็นเราเป็นของของเรามันน้อยลงมันก็เลยเบาขึ้นตรงนะี้นั้นการปฏิบัติ ท, ทางเพื่อให้เข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามตามความเป็นจริงก็คึออนะไรความเป็นจริงก็คือรูปนามไม่ใช่เราไม่ได้เอ็ของเราเพื่อทายท้อนความเป็นจริงตรงนี้ยที่สื่อวิจาสนามันจะค่อค่อยแยกแย ก, แยกไป คนอื่นยังไงถามได้นะ อ, นอยากรู้อยากเข้าใจตรงไหนก็รู้ไปก่อนถามอาจารย์คือไปอ่านหนังสือเจอว่า้าปฏิบัติทำไปไเรื่อย ถ้าเกิดปฏิบัติเองเงนี้แล้วมันจะเป็นอันตรายเลยนะครับก็ อ, อยู่กับอาจารย์อะไรอย่างนี้ก็ต้องกลับมาห า, หาฐานให้ได้ฐานของเราคือเช่นกลับมารู้สึกตัวกับการเช่นการเคลื่อนไหวของร่างกายกลับมาให้ใหได้บ่อยๆคือจะจะให้ไม่เกิดเลย ก็เป็นไปไม่ได้แต่เกิดมาแล้วเรากลับมาได้ไหมนะคือมันต้องกลับมาให้ได้ไม่จะเป็นแต่ต้องอยู่ครูบาอาจารย์ก็ได้บางคนคือแม้จะอยู่วัด น, นะบางทีครูบาอาจารย์ไม่อยู่แล้วมันเกิดขึ้นตอนนั้นแต่เราก็ต้องกลับมาให้ได้คืออย่าทิ้งฐานฐามคือร่างกายที่เคลื่อนไหวนะคือเป็นฐานวิปัสสนูบางทีมันเกิดขึ้นแต่าบางทีบางคนไปติดความรู้ ว่าเรารู้เราเป็นผู้รู้นั่นนี่พิ่ไปติดในสิ่งอื่นก็คือลืมตัวนั่นแหละเราต้องกลับมาหาตัวไปบ่อยเฉพาะคองเขียนบอกไ ว, นะว้นะเราก็จำไว้จะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่กลับมารู้สึกตัวมันจะทําให้เราผ่านแล้ววิปัสสนุมันจะเบาลงแล้วก็จะพ้นก้าวข้างไปได้ไม่ต้องกลัวนะ คุยกันยาก่อนค่ะเขาเป็นคําถามแบบคนที่เริ่มปฏิบัตินะคะนี่คือสงสัยมานานเหมือนกันว่าเออที่เราปฏิบัติเคลื่อนไหวม า, นาเนี่ยอาจานรย์นั่งสอนว่าใ ห, ให้ให้ให้รู้สึกตัวเนี่ยถามแบบคนไม่เคยปฏิบัติอาการว่าความรู้สึกตัวนี่เป็นยังไงอ่ะเพราะว่าแบบการของเราเวลาเวลานั่งๆไปเปุ๊บก็ คิดเปเลยเบื่อนู่นนี่นั่นเรื่องงานเรื่องลูกน้องเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเะไอ้ตรงไหนที่เป็ความรู้สึกตัวอ่ะบางทีทำก like ันไปก็ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนรู้ตัวอาจารย์พี่บานนี่เนี่ยเขาทำว่าอเช่นตอนที่ยอมคิดเรื่องลูกน้องเรื่องงานเรื่องครอบครัวแล้วตอนที่รู้ตัวว่าเรากําลังคิดนั่นแหละคือรู้ว่าคิดแล้วตึงตัวเองกลับมานี่คือความรู้สึกตัวใช่ไหมใช่จริง ตอนที่รู้ว่าแค่รู้ว่ากําลังคิดอยู่ตอนนั้นคือรู้สึกตัวจริงๆไม่ทําอะไรเตอนที่รู้สึกเฉยๆนั่นนะนะ่คือตอนรู้สึกตัวตอนที่รู้ว่าคิดแป๊บเข้ามาปุ๊บออคิดแล้วอ่านั่นแหละเออไอ้กำลังกำลังแํ่เราอยู่นะเราคิดอ่ามันคือการรู้สึกตัวอะไรนี่ใช่ใชอันนี้คือรู้สึกที่รู้สึกตอนที่มันหลงไปนะก็คือรู้สึกตัวเหมือนกันหรือใช่หรือโยมน้องจับ ต้องแตะต้องตีขาได้เองเลยมจับพื้นก็ได้นะจับยังรู้สึกไหมรู้สึกว่าจับค่ะรู้สึกว่าพื้นมันมันเรียบอะไรอ่างอย่างไม่ต้องไปรู้มากขนาดนั้นตอนสัมผัสปุ๊บค่ะตอนแค่ตอนสัมผัสนะปุ๊บแต่ถ้าไปดูว่าพื้นมันเรียบรู้ว่าจับเนี่ยมันมันปรุงไปต่อ แต่ตอนที่รู้ตอนแรกปุ๊บเฉนๆนะนี่คือรู้สึกตัวนี่ก็เหมือนกันนะเราตีเลยปุ๊บตอนที่กระทบปุปนะ๊บเนี่ยรู้สึกไหมค่ะรู้สึกค่ะอ่าเนะี่ยตอนที่รู้สึกว่ามันกรนะทบเนี่ยแค่นะี้พอเลยแต่ถ้าบางทีบางคนไปมากกว่า น, นั้นเช่นมือกระทบขามันมันคือสมมุติที่เราเรียกชื่อเข้าไป <c oughs> มันเกินของรู้สึกตัวไปอี รู้สึกตัวแรก ต, ตอนแค่สัมผัสถ้ามันมากเกินไปเนี่ยเราเอาสมมุติไปไปไปปรุงขึ้นไปเนาะพยายามนะพยายามบางทีสมมติมันก็ห้ามไม่ได้โยมเราเปีเลี่ยบอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราก็แค่รู้ทันว่าแค่รู้ทันแล้วก็ไม่ไปปรุงต่อในสมมุตินั้นเช่นอันนี้มันนิ่งดีนะนะหรือวเวลาคิดไปปุ๊บตอนที่รู้ตัวแล้คิดนะ่ะถูกปะ แต่ตอนนี้บางทีต้องกลับมาสิบางทีบางทีมันต้องกลับมาบางทีมันก็มากเกินไปนะแต่จริงว่ากลับมารู้สึกตัวคือที่จริงพอมันคิดปุ๊บมันตตดตรงคิดรับมันจะกลับมาที่ไหนมันก็กลับมาตรงมารู้กายของมันเองอาจจะไปหีดไม่เป็นไรก็เหมือนนั้นรู้สึกตัวมันก็คือรู้สึกที่กายที่กาลังทา หรือรู้สึกที่ใจที่มันเผลอไปคิดนั่คือทำว่ารู้สึกตัวมันอาจจะไม่ใช่เกิดตลอดนะแต่มัน เ, นเกิดกปนแบบแบบแบบเราเอาศัายเะนับบบ่อยๆคือตอนนะี bye ้ยมยังแยกไม่ออกอะค่ะว่าบางทีในชีวิตประจำวัน เช่ทานอาหารอะไรอ่ะก็จะอะไรก็ไ ด, อไได้อะไรก็ดีหมดเล ย, ยงไงแล้วแยกไม่ออกว่าอันนี้คือปล่อยวางแบบคุเบนขาหรือว่าก็เราไม่รู้เรื่องแบบนี้ค่ะไม่ยังมีใครเคลียรนะถึงทุกๆมือเลยไม่อะไรก็ได้ห ไ, ไม่ใช่เรื่องทานอาหารแค่ยกตัวอย่างค่ ะ, ะเรื่องทั่วไปคือรู้สึกว่าให้มัน เราไม่ใส่ใจไม่ค่อยรูแบบ้เรื่องแบบโมหะหลยยงเรื่องๆอะไรนี้หรือว่าเพราะว่าเราปลนวางได้แบบเปคือคือ ท, ท, ท่านเป็นเรื่องงานการที่จะจําเป็นต้องทําก็ก็ต้องต้องต้องใส่ใจนะงานการหน้าที่ต่างๆหรือว่าเรื่องครอบครัวแล้วก็ใส่ใจใส่ใจทําแต่ใส่ใจใส่ใจทําในตรงนั้น ถ้าเราก็ปล่อยวางในผลในการทำเช่นเราทำงานไปแล้วงานมันล้มเหลวแต่เราก็ไม่ไปทุกขพรพราะความล้มเหลวนั้นเพราความไม่สำเร็จนะั้นนี่คือปล่อยวางนะเนเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่เมื่อทำแล้วมันมันมันไม่ได้ผลมันอะไรก็แล้วแต่เราก็ยอมรับได้หรือร่างกายเราไม่สบายเราก็รักษาแต่รักษาแล้วมันก็มันก็ไม่ดีขึ้นหรือตาย เราก็อยอมรับได้อันนี้คือปล่อยวางไม่ใช่ว่าไม่รักษาเลยไม่ดูแลไม่ทําอะไรเลยแต่แต่บางอย่างถ้ามันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยมากมายว่าอะไรก็ได้ก็ดีนะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรต่างๆทั้งบางทีบางทีคนเราก็มันคล้ายๆมันยุ่งไปแทบทุกเรื่องนะ่ะบางทีเรื่อง เล็ก น, น้อยก็เลือกเลือกมากมันก็ทําให้เราเหมือนติดติดนั่นติดนี่มาว่าถ้าเรื่องไม่สําคัญมากก็อะไรก็ได้ก็ดีแต่ถ้าเรื่องสําคัญนะเราก็ใส่ใจในการทําแล้วก็ยอมรับผลเข้าใจว่ามันผลเป็นแบบไหนก็ยอมรับทำให้เป็นจริงแจ้งคนพูดอในตอนหนึ่งตอนเนื่องกับมดเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยากับการรักษานะ บางคนก็ภาวนาปฏิบัติธรรมเพื่อหวังว่ า, าจิตใจดีก็จะทำให้ร่างกายดาีป่วยไข้ถ้าเราจิตใจดีก็จะทำให้โรคหายมันก็อาจจะใช่อมันก็เหมือนเป็นยาอย่างหนึ่งแต่ถ้านักปฏิบัติธรรมจริงๆจะเป็นอีกแบบหนึ่ง ก, ก็คือว่าประมาณว่าหายก็หายก็เอาไม่หายก็เอา คือรับได้ทั้งสองหน้าไม่ใช่ว่าทําบุญภาวนาเพื่อหวังว่าจะต้องหายเนี่ยเอาหน้าเดียวแต่ประการทงจริงเออเราก็ทําใจของเราให้ให้ดีนั่นแหละแต่มันหายหรือไม่หายก็ยอมรับทั้งสองสองอย่างเมื่อเราทํางานกเหมือนกันเราทํางานแล้วก็ทําให้ดีที่สุดแต่ทําแล้วมันจะสําเร็จหรือล้มเหลวก็รับได้ทั้งสองได้ไม่ใช่ว่าทําดีแล้วทําไมมันยังลง้มเหลวอยู่ ก็ไปฟุ้งไปเครียดไปโกรธนั่นก็ก็ไม่คือเป็นการไม่ปล่อยวางเราปล่อยวางที่ตรง น, นั้นทําเหตุให้ดีก่อนแล้วค่อยปล่อยวางทุกขณะหรือบางทีการปล่อยวางอีกอย่างหนึ่งคือขณะที่ทําก็วางไปด้วยคือบางคนบางคนมีความสุขหรือว่าพอใจตอนที่ทําให้มันเสร็จนะทำเสร็จแล้วก็จได้วาง ถ้าไม่เสร็กไม่วางนีใช่ไหมต้องดี้นทาให้มันเสร็จต้องให้มันเสร็จนะจริงปล่อยวางอีกแบบหนึ่งคือเด็กทุกขณะแม้งานมันยังไม่สําเร็จแต่วันนี้มันทำได้แค่นี้ก็วางพรุ่งนี้ก็ค่อยไปทําใหม่นะก็คือวางทุกอย่างเขาไม่ต้องรอรอมันเสร็จแล้วค่อยวางก็วางทุกขณะตอนนี้กินข้าวก็กลับมาอยู่องขอการกินข้าวก็คือปล่อยวางเรื่องงานใช่ไหมตอนนี้นอนก็คือ กำลันเยู่กัการนอนก็อย่าไปคิดเรื่องเรื่องที่มันยังค้างๆยังไม่เสร็จนี่นคือปล่อยวางก็มีทั้งทุกขณะที่ทําแล้วก็เมื่อทําเสร็จแล้วผลมันเกิดขึ้นยังไงก็ยอมรับมันได้นี่นคือการปล่อยวางไม่ใช่การปล่อยเฉยไม่สนใจไม่ทํากิจก็ไม่สูก อนะ ไปเดินไปคิดไปหาคำตอบถามตัวเองนะ ก, ก็ดูมันดูความสงสัยเกิดขึ้นกลับมารู้สึกตัวหนะักหรือบางครั้งบางครั้งขณะ จ, จิตบางทีมันก็ได้คำตอบเยอะสอนตัวเองไปเรื่อยนะพูดสอนตัวเองไปเรื่อยก็ก็ยังไม่ใช่นะคณะที่เช่นเดินจงกรมก็ต้องรู้สึกตัวใยกันเดิน อย่าไปแบบไปคิดเทศคิดตอนคิดอะไรตัเองนะสิงทีก็มีนะก็มันไม่ใช่ของจริงนะมันเหมือนมันเหมือนความรู้ที่เกิดจากการอ่านคารจำนะการสอนนะนะก็เหมือนรู้อ่านรู้จํารู้คิดนะแต่พอเอามาใช้จริงๆนะ่ะมันคือของจริงมากกว่าเหมือนที่อาจารย์บางคนพูดตอนสุดท้ายมันถึงว่าให้ข้อคิดอัวนึ้ใหบอกบรรลุธรรมเป็นเพียงแค่คําพูด ความไม่ทุกข์เป็นของจริงคือบางทีเราปฏิบัติหลายคนมักจะคิดวหรือว่าสงสัยวะาเฮ้เราถึงขั้นไหนละเราได้อะไรละเราไปถึงไหนละบางทีก็คิดคือติดคิดหรือว่าอยากจะเป็นอยากจะได้เราแยกน้ำแยกน้ำได้หรือยังเราเป็นนั่นเป็นนี่้หรือยังคือติดเรื่องการบรรลุธรรมติดเรื่องเราต้องเป็นนั่นเป็นนี่ได้เปนนี่ก้าวหน้าอย่างนี้ แต่จริงของจริงคือคือความไม่ทุกข์ในขนาดนี้นไม่ต้องไปเรียกว่าอะไรก็ได้แต่ตอนเนี้ยทุกไหมหรือไม่ทุกแค่นั้นไงเนี่ยคือนี่คือของจริงกว่านะนั้นไม่ต้องไปกังวลมากว่าเราถึงไหนอะไรอย่างไรเอาแค่แว่าเอาไม่ทุกขนาดนี้ยนะปล่อยวางขนาดนี้นนะไม่ทุกในขนาดนีะพออะไรของจริงนะน ะ, งงนะนะก็ปากไว้นะ